อยู่ในบังเกอร์นะั่นแพวกเราก็เห็นแต่เห็นแต่ลูกน้องมันต่อสู้กับลูกน้องมันลาวีกับลูกน้องมันเห็นแต่ลูกน้องมันแต่ในหลักของพระศาสนาเนี่ยท่านไม่ได้มองลูกน้องนะท่านด่งเข้าไปคำสั่งนี่มาจากไหนมาจากมันอยู่ที่บังเกอร์มันอยู่ข้างในเพราะนั้น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 ใช้ไปทางหนึ่งหูใช้ไปทางหนึ่งจมูกใช้ไปทางหนึ่งลิ้ไปใช้ไปทางใจใช้ไปทางหนึ่ ง, งนี่แหละพยาจิตรราชเข้ามาอยู่อยู่ข้างในอยู่ในตัวของเราตาไปเห็นรูปตาประสง์เข้ามาหาหาใจเพราะใจมองไปทางทางตาหูได้ยินเสียงกระสงเข้ามาหาใจคือตัวผู้รู้จมูกกลมกลิ่นริ้มรสสัมผัส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 ในเมื่อเราเหมือนเราแต่งงานไปแล้ว เ, เราได้เราได้เราได้ลูกมาเลยเมื่อเราได้ลูกมาเนี่ยลูกอย่างเราเนี่ยแหละไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เ อ, อเราจะภาคภูมิใจไหมถ้าเป็นลูกของเราให้นึกย้อนดูถ้าหากว่าเป็นลูกของเราเราทําตัวอย่างนี้ละอย่างที่เราทำเนี่ยะถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่เราจะภาคภูมิใจไหมถ้าภาคภูมิใจเออก็ไม่ว่ากัน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 แล้วก็ประพฤตตนให้สมควรควรรับทรัพย์มรดกประพฤตตนอย่างไรแต่ตัวเองกินเหล้าเมายาสัมฤท เ, เทเมาสุรานารเร่ไม่รู้จากบ้านไม่รู้จากเรือนแล้วอยากจะให้พ่อแม่มอบมรดกให้กับเราท่านจะไว้ใจท่านจะมอบให้ได้อย่างไรเพราะท่านหามาด้วยความยากลาบาก เ, เราทาตัวไม่ดีไม่สมควรที่จะรับทรัพย์มรดกของท่านได้ท่านก็ต้องรักษาไว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 ถ้าเราไปอยู่นสถฐานที่ใดกรรมนั้นจะตามสนองเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกทุกท่านที่ได้พูดกล่าวเรื่องธรรมะหรือว่าแนวธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาให้กับพวกเราคณะท า, า, าญาทโยมลูกหลานได้ฟังไปอยู่นสถฐานที่ใดเราเกิดมาจากใครถึงจะเกิดมาเป็นสัตว์ที่ไรฉานพระพุทธเจ้าท่านยังไม่ลืมพระคุณของพ่อแม่ท่านทั้งเกิดเป็นลิง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 ดีไหมโอ้ไม่ดีพี่รู้สึกว่าบางทีก็จงเหลือนิดๆหน่อยๆเออพอทานเราทำอย่างนี้เราเลี้ยงแม่ของเราคงไม่สมบูรณ์ป่ะเราออกไปหาที่อื่นบ่ะหนีเถอะวะหนีไปอยู่ที่อื่นเพื่อไปเลี้ยงแม่กันนี่แหละลิงพระโพธิสัตว์ถึงขนาดนะนะท่านเป็นลิงท่านยังไม่ลืมบุญคุณของพ่อแม่อพอตกกลางคืนเดือนหงายเท่า น, นั้นนะเอาแม่ขึ้นขี่หลัง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 พอในโซ่ก่อนเอาหยิงเอาหยิงเอาทั้งสามตัวเลยรเหมือนนเอะเออได้ทั้งสามตัวเอาทั้งลูกชายต้องชายทั้งแม่มันด้วยเหมือนนเอะตายแล้วเออทั้งหาบทั้งหิ้วนะ่ะสองตัวก็ใส่ไม้คานก็หาบตัวหนึ่งก็หิ้วแนตะ่มัดขาอาืยรวมใส่การอะไรหิ้วเลยตนะอวพอมาถึงเนะ่ยบาปกรรมอะไรก็ไม่รู้ไฟไหม้บ้านของตาแกนะ่ะพรานคนนั้นนะ